เห็นว่าจะแยกกันเหรอวันนี้โอ้มาตัดสินใจเอาวันสุดท้ายเลยนะเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงใครนะมีมีมคนยากจนในประเทศเดียคนหนึ่งเขาก็มีผ้าห่มอยู่พื้นเดียวมีผ้าหม่มแล้วก็แบ่งกันห่มนะมันหนาวก็ห่มไปไปวัด ก็เปลี่ยนกันไปเพราะพระหูมื้นเดียววันหนึ่งสามีก็ไปวันหนึ่งภรรยาไปพอสามีไปก็ห่มฟังธรรมวิเช้าซาบซึ่งมากใจก็อยากจะถวายผ้าผืนนั้นแหะถวายไปก็เฮ้ ه, ก็ไม่มีห่มภรรยาก็ไม่มีอะก็ลังเลนะตอนปฐมมยามก็ลังเลฟังธรรมไปเรื่อยปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมไป มัชิมยามก็ลังเลอัดตัดสินใจไม่ได้ว่าจะถวายดีถวายไม่ดีจนกระทั่งปัจฉิมยามช่วงสุดท้ายละตกลงใจว่าเป็นยังไงก็เป็นต้องถวายให้ได้ก็พ า, าไปถวายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยเมื่อวานเนี่ยถ้าคนเนี้ย เขาตัดสินใจถวายตอนปฐมมยามโอ้ซับอะไรไม่รู้เกิดขึ้นมากมายเลยนะพอถ้าไม่ถวายปฐมมยามเท่าถวายตอนปัจฉิมมยามซับลดลงไปครึ่งหนึ่งพอตัดสินใจถวายปัจฉิมมยามเนี่ยลดลงไปขึ้นของครึ่ง น, นั่นแหละได้บัวกี่เกิดอะไรเกิดขึ้นเท่าไหรเท่าไหรจำไม่ได้นะอันเนี้ย อันนี้ก็เหมือนกันถ้าตัดสินใจ <c oughs> ตั้งแต่วันแรกนี่อันที้สองอาจจะมาต่อมาวันที่สองอีกยังไม่ได้อีกลดลงไป <c oughs> จนวันสุดท้ายก็ยังดีนะเนี่ยยังได้ทดลองมือจิตใจมันสำคัญสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่จิตใจ คนอื่นจะแสวงหาสัพานุนานิแต่พระเจ้าบอกบัณฑิตเนี่ยต้องฝึกใจน่นถ้ามาฝึกจิตใจแล้วก็นี่แหละบัณฑิตล่ะมันถือทางของพระพุทธเจ้าทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายเลยนะนี่พวกเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสมาฝึกเห็นไหมเด็กเนี่ยเด็กๆเขาก็ได้ฝึกนะ นับหนึ่งถึงหกสิบได้เนี่ยจิตเป็นสมาธิสำหรับเด็กแล้วเป็นสมาธินิดหนึ่งเนี่ยเขาได้ประโยชน์เยอะแยะเลยเป็นสมาธิหนึ่งนาทีสองนาทีเนี่ยโอ้โหมีค่ามากวันนี้นั่งรถมามันก็มีลุงกินน้ำนะมันใหญ่เห็นใหญ่ชัดเจนมันมันเหมือนกับมันมันจากขอฟ้าด้านหนึ่งโค้งไปจะลด ขอไฟอีกด้านหนึ่งโอ้โหเหมือนมีตัวมีตนจริงๆจังๆเลยนะถ้าถ่ายรูปก็คงได้อ่ะมันสวยงามมากชัดเจนก็มองไปแล้วก็เลิกเลือกถึงพวกศิลปินอะไรอย่างนั้นนะ่ะว่าเออเขาเรียนแบบธรรมชาติถ้าเป็นเด็กก็คงอยากได้อยากเอามาเก็บไหมถ้าเป็นไปได้มันสวยงามมีเจ็ดสีด้วย แต่ถ้าหากว่าสาวเข้าไปจริงๆแล้วนะไอ้ลูกกินน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วมันก็เกิดขึ้นแสงพระอาทิตย์กระทบกับละอองน้ำไอน้ำมันเกิดการหักเหขึ้นมาสีที่อยู่ในแสงอะ น, นั้นนะมันก็ปรากฏขึ้นถ้าหากว่า ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีไอ้น้ำและอองน้ำแล้วเราก็ไม่ได้ยืนหันหลังให้พระอาทิตย์ด้วยก็จะไม่เห็นรุ้งกินน้ำอันนี้เพราะนั้นตอนนี้รุ้งกินน้าก็หายไปแล้วเพราะพระอาทิตย์มันตกดินไปแล้วพรุ่งนี้อาจจะมีรุ้งกินน้ำหรือไม่มีก็ไม่รู้จะไปมีที่ไหนอีกก็ไม่รู้ คือมันเหมือนกับว่ามันเหมือนมีอยู่จริงแต่แล้วมันไม่ใช่มันมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนเข้าไปรู้ก็คือว่าชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นมีเหตุปัจจัยแล้วก็เกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยก็ดับวันนี้ก็มีผู้ชายคนหนึง่งเขามีความทุกข์มาก มีความทุกข์จนกระทั่งคนที่รู้จักกันน่ะพามาหาเราก็ถามมาะทุกเรื่องอะไรอ่ะทุกเรื่องลูกลูกเป็นอะไรลูกเป็นโลกตับต้องเปลี่ยนตับตับตอนนี้ใช้งานได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องเปลี่ยนตับและอายุทลายสิบแปดปี ทุกมากไหมทุกมากครับทุกเพราะอะไรกลัวลูกตายอยากให้ลูกหายกลัวลูกไม่หายอุตสารพัดเลยนะที่มันจะเป็นทุกพอลูกแล้มาก็อยากมาให้อาจารย์ช่วยเพราะมันทุกมากไม่สามารถเอาความทุกออกไปจากจิตใจตัวเองได้ พ่อแม่รักลูกพอมีแล้วก็รักแต่ความรักแบบนี้มันเป็นความรักที่ไม่มีปัญญาหรอกมันเป็นความรู้สึกหลงเข้าไปยุติ้ก็เลยพูดเรื่องกรรมให้เขาฟังนะหมอชาติที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะลูกของเราก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนด้วย หรือชาติก่อนๆก่อนชาติที่แล้วก็เหมือนกันไม่รู้เข้าอยู่ที่ไหนไม่รู้เาเราอยู่ที่ไหนต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เป็นพอ่อเป็นลูกกันตลอดนะแต่ชาตินี้เผอิญมันมามีเหตุปัจจัยทำให้เป็นมาเป็นพอ่อเป็นลูกกันแล้วก็ชาติต่อไปชาติที่จะถึงก็ไม่รู้ด้วยว่า เขาจะไปไหนแล้วเราจะไปไหนจะพบกันอีกไหมจะเป็นพ่อเป็นลูกกันอีกไหมไม่แน่แล้วก็อธิบายต่อไปอีกว่านนั้นะเวลาเวลาลูกจะมาเกิดมันจะเป็นจิตดุริยาณดวงหนึ่งเท่านั้นแหละที่รอเวลาที่จะ เข้ามาอาศัยรูปนามที่เกิดจากทานพอ่อทานแม่มาบรรจบกันแล้วก็ได้เวลาพอดีได้จังหวะพอดีที่จิตวิญญาณดวงนั้นนะเข้ามาอาศัยอยู่จิตวิญญาณดวงนั้นมาจากไหนก็ไม่รู้อาจจะมาจากสัตว์นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือว่ามนุษย์หรือว่าเทวดาพรมก็ได้ เพราะเขาไม่ได้เป็นลูกเราตลอดแค่มีเหตุปัจจัยแล้วก็มาพบกันเฉยๆแล้วไอ้ลูกเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยกรรตัวกรรมเป็นตัวกําหนดมันถ่ายอูนกรรมทั้งหลายที่สะสมเอาไว้ในจิตทํากรรมดีก็เราทำเราทําปับมันก็เก็บไว้ในจิตทํากรรมไม่ดี เราทำเก็บไว้ในจิตสงบก็เราสงบกเก็บไว้ในจิตมันมีตัวเราตัวเราตัวเรามันก็เลยฝังเข้าไปในจิตฝังเข้าไปในจิตฆ่าสัตว์ก็เราฆ่าสัตว์ก็ฝังเข้าไปในจิตทีนี้ถ้าฆ่าสัตว์มากเวลา ม, มาเกิดอะไอ้คุณสมบัติของกรรมเนี่ยมันติดอยู่ในจิตอะจิตมันก็มาสร้างร่างกายขึ้นมา ตามอำนาจของกรรมอะบางคนอาจจะพิกลพิการขาขาดแขนขาดหูหน่วกตาบอดหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนคนที่ฆ่าสัตว์มากบีดเบียนสัตว์อื่นไวมากโรคภัยไข้เจ็บก็มากเพราะว่าไอคุณสมบัติของกรรมที่อยู่ในจิตนั่นแหละมันสร้างขึ้นมา สร้างคุณภาพของร่างกายด้วยสร้างคุณภาพของจิตใจด้วยถ้าเวลาไหนคุณภาพจิตฝ่ายดีให้ผลเนี่ยเราก็พบสิ่งดีๆอย่างอย่างที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้เหตุปัจจัยดีคุณสมบัติที่ดีทำให้เรามีความศรัทธาความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยาก มาประพฤติปฏิบัติธรรมอยากมาฟังธรรมอยากทำบุญสุนทานอยากทำสิ่งที่ดีงามทำแล้วใจเบิกบานใจมีความสุขความสบายมีความสงบอยู่ในจิตใจอันนี้ฝ่ายดีมันให้ผลเนี่ยแต่ถ้าฝ่ายไม่ดีให้ผลบางทีก็เจอเสียงเข้ามากระทบ สายหูสายตากระทบมีเรื่องไม่ดีมากระทบทําให้ใจเราไม่สบายในเมื่อเขามีกรรมเป็นของของตนเขาสร้างกรรมมาแบบนั้นแล้วเขาเป็นไปตามกรรมเนี่ยโยมเราก็เรียกเขานะ้ะบอกว่าแล้วโยมเนี่ยไปเป็นทุกข์กับกรรมของเขาเนี่ย โยมเป็นทุกข์แล้วอาการโลกทางตับเขาดีขึ้นไหมไม่ครับเขาฟังงั้นไม่ครับแล้วควรจะทุกข์ไหมไม่ควรครับแล้วฟังอย่างนี้แล้วเบาลงไหมเบาลงครับก่อนก็เลยหันไปถามโยมที่เยอะๆนะวะ่อาอ้าแล้วมีคนเรามันทุกข์เพราะอะไรเนี่ยนี่ทุกข์เพราะอะไรเนี่ยทุกข์เพราะความโลภนี่เห็นไหมเขามาตอบกันเองนะคือเราไม่อยากพูด เวลามีความทุกข์เน่เกิดจากความโง่ทั้งนั้นจ้าพูดว่าโง่นี่ดูมันจะเหมือนกับว่ารุนแรงนะแต่ภาษาธรรมะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าจะพูดดีอย่างก็ไม่มีสติปัญญาสติปัญญาในที่นี้ก็คือไม่เข้าใจสัจธรรมไม่เข้าใจสัจธรรมไม่เข้าใจกฎของกรรมกฎของธรรมชาติไม่เข้าใจว่าทุกสรรพสิ่ง มันมาจากเหตุจากปัจจัยเท่านั้นตัวตนที่แท้จริงนะไม่มีเหมือนเราทุกคนก็มาแบบเดียวกันกรรมมันส่งผลมาแต่หลักของพพุทธเจ้าเอาปัจจุบันคือต้องมีสติเข้ามารู้เท่าทันเวลากรรมมันให้ผลนะเวลาเกิดอะไรขึ้นนะให้มีสติรักษาจิตใจให้เป็นปกติ ผมว่ารักษาจิตใจบางทีเราอาจจะดูกายอยู่แต่มันก็ามาเห็นจิตเพราะพูะเจ้าสอนแล้วบอกว่ามีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินายนี่คือรักษาใจคือไม่ให้ใจไปหลงยินดียินายดูกายอยู่ก็ตามกายเยกายานุปสีวิหรติอาตาปีสัมปะชาโนสติมาวินยะโลกีอวิชาโทมัสังเธอจงพินากายในกายเนืองเนือง มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะและความยินดียินไลยในโลกนี้เสียให้ได้จิตเตสุจิตตาลูกปสศีวิหารติอาตาปีสัมปชานุสติมาวเวนะโลเกอภิชาโทมนรสังพินาจิตในจิตเนืองเนืองมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะและความยินดียินไลยในโลกนี้เสียให้ได้ ไม่ว่าไม่ดูไม่ว่าดูอะไรสุดท้ายต้องไปกำกับจิตนั่นคือดูจิตนั่นเพื่อไม่ให้มันยินดียินไลนี่คำว่าดูจิตดูจิตเนี่ยมันคือครอบคุมแบบนี้เวทนาสูเวนนาสีวิหารติอาตาปีสัมปชนนสติมาวินยยลุเกวิดานุนสังพินาเวทนาในเวทนาเนืองเนืองกิเตจิตานุปัสีวิหรติ อาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกวิชาโทมณสังคือมันจะไปลงที่เดียวกันหมดหมายว่าพินากายพินาเวทนาพินาจิตหรือพินาธรรมก็ได้เหมือนกันทำมีสูตรทำมานุปัสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกวิชาโทมณสังสุดท้ายเป็นลงที่ว่ามีความเพียรมีสติสัมปัญญาและตรงละความยินดียราย ความยินดีร้ายในโลกก็คือในจิตของเราหมายว่าอย่างนั้นนะคือจิตของเรามัไปสร้างความยินดีร้ายเอาเรื่องราวในโลกอะ่ะเข้ามาหลงเกิดเป็นความยินดีร้ายขึ้นมามันจึงต้องมีสติเข้ามารักษาจิตตรงนี้การละความยินดีร้ายภายในจิตเราได้ก็คือละความยินดีร้ายในโลกทั้งหมดมันไม่เข้ามา ไม่เข้ามาอย่างจิตของเราเพราะนั้ความหมายว่ามีสติรักษาจิตก็คือตามพระเจ้าตามคำพูดของพระเจ้าแบบนี้คือดูกายอยู่ก็ตามเวทนาก็ตามจิตก็ตามธรรมก็ตามแต่มันจะลงที่เดียวกันว่ามีความเพียรมีสติสัพพัญญและความยินดียินาย่ในความยินดียินไเนี่ยมันต้องอยู่ในจิตเราสิพอเราละได้แล้วความยินดีไล่ในโลกมันก็ไม่เข้ามาในจิตเรา นี่คือรักษาจิตไม่ใช่จะไปจดจ้องจิตอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นคือสรุปแล้วปฏิบัติยังไงก็ตามมันก็ต้องมารักษาจิตนี้คือสรุปอย่างนี้ให้จิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรเกิดขึ้นก็ตามที่นี่เพราะเรามีความเพียรเพียรไปแล้วมันก็จะต้องมีบ้างระบบของร่างกายเรามันก็มีการปรับตัว ระบบของนามธรรมาก็มีการปรับตัวระบบจิตใจเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงของมันมันก็อาจจะมีนิมิตแสงสีมีอนุ น, นั้นอันนี้เกิดขึ้นได้แต่หลักก็ต้องไม่ทิ้งด้วยมันมีความเพียนมีสติสัมปชัญญะรู้แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลักก็คือว่ารักษาจิตใจไม่ให้หลงยินดียินาย ถ้าทำอย่างนี้ได้แค่นี้นะปฏิบัติที่ไหนก็ได้อะไรเกิดขึ้นก็ตามถ้ารักษาจิตได้แล้วมันก็อย่างอื่นมันก็เป็นแค่สภาวะธรรมมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปผ่านมาผ่านไปมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับมันจะเกิดมันจะดับก็เรื่องของมันนี่คือจิตเราปล่อยวางได้ ปต่วางได้ก็คือมันรู้ความจริงมันเห็นธรรมะธรรมะจริงๆก็คือว่าสเพสร้างขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสเพสร้างขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกมีความเปลี่ยนแปลงทนอยู่ได้ยากเสื่อมสิ้นสลายไปสเพธรรมะอนัตตาแล้วก็ปฏิจจสมุปบาท สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไม่ว่าสิ่งต่างๆอาศัยกันและการเกิดขึ้นมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนเที่ยงแค้ถาวรนไม่อยู่ตลอดไปเหมือนชีวิตของเราก็เหมือนกันมันเป็นแค่กระแสที่มันส่งผ่านมาโอนถ่ายมาด้วยอำนาจของกรรม อันนี้เป็นของอดีตโอนมาแล้วก็อยู่ได้ด้วยปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็คือร่างลูปนี่ก็อาศัยอาหารกรรมเก่าถ่ายโอนมาแล้วทีนี้ก็อยู่ได้เพราะอาหารถ้ามีกินอาหารลูปดับอาหารก็รวมทั้งน้ำรวมทั้งอาการอะไรพวกนี้แหละ การที่จิตมันจะสามารถละความยินดีรายได้มันต้องปฏิบัติเท่านั้นอยู่เฉยเฉยให้มันละได้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมาเจริญสติก็มาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมก็คือสติปัฏฐานทั้งสี่รกรรมฐ า, านอะไรก็ตามทาเพื่อมีสมาธิเมื่อจะมีสมาธิแล้วก็มาเจริญ ส, สติปัฏฐานสีนี่แหละ บางคนก็อาณาปานาสติพระเจ้าก็บอกว่ า, าเออเจริญให้มากทำให้มากในอาณาปานาสติเมื่อจเจริญให้อาณาปานาสติสมบูรณ์แล้วก็จะทำให้สติปัฏฐานสี่สมบูรณ์ถ้าจเจริญสติปัฏฐานสี่มีกายเวทนาจิตธรรมสมบูรณ์โพชฌงเจ7สมบูรณ์เมื่อโพชฌงเจตสมบูรณ์ก็วิชาและวิมุดก็เกิดขึ้น กรรมาฐานหลักก็คือเบื้องตน้นบางคนจึงพุโทโธบางคนสมาหลังบางคนปองห น, อ ย, ยหนอยุบหนอบางคนลงเข้ารู้ลงออลงรู้ลงเข้าพุทระออกโตนี่มันเพื่อให้จิตมันเป็นสมาธิระดับหนึ่งก่อนแล้วก็มาพิจารณาดูกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานสี่มันเหมือนเป็นหลักสูตรเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันอย่างนี้ สติปัฏฐานสี่มันก็มีกายเวทนาจิตธรรมกายานุปสัสนาสติปัฏฐานตามดูกายถ้าในกายเนี่ยถ้าตามดูลมเขาแยกออกมาเป็นอาณาปานาสติเนี่ยก็อยู่ในหมวดกายนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นอาณาปานาสติพูดถึงลมเข้าลมออกก็หลายข้อยืดยาวที่พุทธเจ้าให้อาตักถาเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมอะ กายคตาสติมีอาณาปณิกับกายคตาสติรวมกันแล้วเป็นกายานุปัสนาสติปทานกายคตาสติก็เช่นมาดูเหยียบทดเคลื่อนไหวรู้ตัวนี่ก็ดูกายเหยียบบดย่อยๆดูกายอาการสามสิบสองดูกายอาจจะดูเป็นปฏิกูลดูดูอาการที่มันเปลี่ยนแปลง หรือดูเป็นท็กซีเป็นศากศกมันก็เป็นกายคตาสติหรือจะเรียกว่าเป็นกายานุปสัสนาสตยฐานมันก็ง่ายหรือเราพูดย่อๆดูกายมั้ก็อยู่แค่นี้ฮะแล้วก็ต้องมีว่ามีความเพียรมีสติสั้บัญญัญิและความยินดียินร้ายแม่สุดท้ายก็ไปลงที่จิตหมดต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะ จิตต้องเป็นกลางนะคือเข้าทางสายกลางเืยอย่ามักมียงแตดนะศีลสมาธิปัญญามดเวทนาก็คือความรูมส้สึกสุขทุกข์ทางกายทางกายมันมีสุข ก, กับทุกข์ถ้ามันเฉยเฉยมันเป็นเรื่องของจิตใจเพราะนั้นจิตใจมันยัง ม, มีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉย อาการของมันหรือเป็นดูบงทีก็ดูความรู้สึกทีนี้บางทีพอรายละเอียดเข้าไปมุมมองมันก็อยู่ที่ว่าเราดูเป็นอาการของจิตหรือเป็นดูในมุมมองของเวทนาถ้าดูในแง่ของความรู้สึกภายในจิตมันก็กลายเป็นเวทนาทางจิตมัน บ, บางทีมันก็เป็นลายละเอียด ดูความเปลี่ยนแปลงดูความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพวกนี้มันก็เป็นธรรมะดูธรรมก็คือไปดูปตายรักหรือดูในแง่มุมของว่าทุกสรรพสิ่งมันเกิดจากเหตุจากปัจจัยถ้าเข้าใจหลักแล้วอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้แต่ทีนี้ให้ความกลัว มันเป็นเรื่องของจิตเนี่ยมันก็ต้องดูไปก่อนดูแล้วก็พยายามที่จะไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตของเราก็จะเหมือนกับหดเข้ามาเป็นตัวของตัวเองอะมันก็หายกลัวที่มันกลัวเนี่ยเหมือนกับมันมันมันส่งกระแสะออกไปข้างนอก กลัเรื่องข้างนอกไปข้างบลเรื่องข้างนอกมันก็สร้างภาพอะไรขึ้นมาในจิตแล้วก็กลัวกลัวตัวตนเราจะบุบสลายกลัวเป็นกลัวตายขึ้นมาเนี่ยแหละตัวตนทั้งนั้นนะสุดท้ายอาวิชชาบินหัวหน้าถ้าไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้เพรวะนั้นบางทีเราฝึก เราไปต่อสู้กับมันเผชิญหน้ากับมันคือให้มันเผยตัวออกมาให้มันเปิดเผยหน้าตาของมันออกมาเราจะได้เห็นมันแล้การปฏิบัติเนี่ยบางทีให้หนึกจะว่าเป็นบินทางที่ไม่เคยเดินนะพอมีอะไรเกิดขึ้นมามันก็งงงวยได้มันก็สงสัยได้มันก็ทำไม่ถูกอะ่ะมีคนหนึ่งเขาก็มาเล่าเหมือนกันเขาบอกว่า พีใ่ใครก็จำไม่ได้แล้วละ่เะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเคยนั่งพุโทโธพุโทโธไปเสร็จแล้วเหมือนมันหมืนตกจากที่สูงปุ๊บลงไปเขาว่าลงไปจิตมันวูบเข้าไปอยู่ข้างในโน้นตกใจเหรอกลัวขึ้นมาเปิสมาธิก็คลายออก จากนั้นก็ไม่กล้าปฏิบัติอีกเนี่ยนี่คือรักษาใจไม่ได้แล้วไปยินดียินไลยแล้วคนหนึ่งดูลมลมเข้าพุดลมออกโทไปลงไปลงไปอยู่ดีๆลมหายวุกไปจีวอก็เข้าไปอยู่ข้างในกลัวตายอีกเนี่ยก็พยายามถอยออกมาบังคับให้มันถอยออกมาสุดท้ายอยากให้เป็นอีกทีนี้มันก็ไม่เป็น พอเข้าใจแล้วบางทีมันไม่เป็นอีกก็ได้เพราะมันเคยเป็นมาแล้วบางทีมันก็ไม่จําเป็น่ะพอจิตมันแค่ครั้งแรกที่มันเป็นนะดูว่ามันจะรุนแรงหน่อยดูมันแปลกดูมันอัศจรรย์แต่ถ้าเป็นแล้วบางทีมันมันมันเห็นอีกอ่ะมันเคยเห็นแล้วอ่ะมันก็เลยเป็นธรรมดาไปมันก็ไม่รุนแรงอย่างเก่าแล้วยังไปฝังใจ อยากให้เป็นอย่างเก่ามันก็ไม่ได้วันนี้ก็มีคนมาถามว่ามีพระองค์หนึ่งท่านปวดใหม่เสร็จแล้วก็ไปภาวนาแต่ว่าลูกแก้วมันเข้าไปในในไอ้ตรงหน้าพระเขาว่างั้นนะให้ทำยังไงบอกลูกแก้วไน่นี้มันเป็นแค่ความรู้สึกว่ามีลูกแก้วเข้าไปถ้ารักษาจิตไว้ได้ไม่ยิดีมีรายมันก็จ สาไม่ได้ก็คิดว่าลูกแก้วเข้าไปในหัวของตัวเองละอู้ทำยังไงดีลูกแก้วมันเข้าไปแล้วแล้จะเอาออกได้ยังไงมันก็ปุุงไปเรื่อยนี่อุปทานก็เขาไม่ได้บอกาพ่าที่ไหนไม่เชียวมาถามนึกบอกว่าเออต้องให้ท่านพยายามที่จะไม่ยินดีไม่ยินไายนะแล้วก็ไม่ไปสนใจเพราะนั้นมันแค่นิมิตแล้วดึงตาขึ้นมามันไม่ได้มีลูกแก้ว บางทีมันก็เป็นนิมิตอะไรเป็นพลังงานบางอย่างมากระทบเฉยๆมันมีอยู่ในโลกในจักรวาลมันมีปรากฏการแบบนี้อย่างที่วัดเราอะ่ะเออเหมือนอะไรตกลงมาจากผานังถ้ำตกใส่มือบางทีก็สะกิดมือแต่ลืมตามามองไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ยตกอยู่ข้างๆแต่มีจริงหล่นลงมาจริงๆ แต่เวลาใช้ไฟดูก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงมันเป็นแบบนั้นเราก็เคยเจอแต่เราไม่สนใจนั่งอยู่ในถ้ำเหมือนกันก็พุ่งขึ้นไปชนผนังถ้ำแล้วก็หล่นลงมาใส่หน้าเรานะ่ะเสียงดังแ ก, ก๊กหล่นใส่ไหพื้นถ้ำอ่ะใส่พื้นแข่เรานั่งเใจเดี๋ยวมันเอาอีกเพราะเราไม่สนใจนักเขา้าหนักเข้ามันเลอก กวนเราอยู่รอบๆจิตเราไม่ยินดีมีร้ายมันทำอะไรไม่ได้มีแต่เราไม่สนใจต่อมามันก็เหนื่อยเพี้ยลงไปนอนตอนที่จิตมันอยู่ในสมาธิยังไม่หลับอ่ะมันก็เป็นผู้ชายมีแต่กางเกงไม่มีเสือ้อแล้วมันก็บอกด้วยว่ามัน เ, นยนเคยเป็นโจรมันถูกฆ่าอยู่ตรงนั้นเน่ย จะนอนแล้วเราก็ไม่สนใจมันก็พูดของมันไปเนี่ยก็หลับไปหลับไปมันก็พยายามที่จะมาทำอะไรให้มันร้ายๆอยู่ในฝันเน่ยนมันก็มาแล้วก็ไม่สนใจตื่นขึ้นมาก็ปกติไปบินดาบานมาชันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาหลังเราก็แผ่เมตตาบ้างอุทิศบุญบ้างมันสาคัญตัวจิตเราอะ ในสิ่งเวล้อมมันก็มีไปหมดอ่ะอัน น, นู้นบางอันนี้บ้างหัววาบวาบก็มีไม่เห็นไม่รู้สึกไม่เห็นตอนลืมตาก็เข้าไปหาในสมาธิในฝันแต่บางทีก็เป็นสภาวะธรรมอย่างบางคนเนี้ยพอนั่งสมาธิไป ร่างกายก็เหมือนมองเห็นล่างตัวเองเน่าเปื่อยหุ่นอืดมันก็ตกใจกลัวมันก็ไม่ได้ประโยชน์แต่บางคนเขาเห็นแล้วเออเนี่ยเหมือนกับตัวเราอ่ะมันก็แสดงให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพองขึ้นพองขึ้นสุดท้ายมันก็กลายเป็นผุยผงสลายไปไม่มีอะไรเนี่ย มก็เป็นอนิจจำทุกขังอนัตตาคือพอเข้าไปหาจิตได้พวกนี้มันก็แค่เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเคยนั่งสมาธิไอ้ น, นี่พวกนี้ใหม่ๆอ่ะตอนเริ่มต้นใหม่ๆมันมักจะมีอนุ น, นี้เพราะเราไม่เคยผ่านอ่ะหน้าหนาวใส่เสื้อกันหนาวแล้วไปนั่งสมาธิเพียงเป็นโยมอยู่นะพอนั่งไปนั่งไปร้อนขึ้นมา ร้อนก็คิดขึ้นมาว่าสงสัยอากาศจะร้อนถอดดีไหมหจิดมันพูดได้นี่ถอดดีไหมไม่เป็นไรอะ่ะดูต่อไปเนี่ยมันก็ทนดูร้อนมีแต่ความร้อนถ้าไปตกใจว่ททำไมมันร้อนเนี่ยมันมันก็ตกใจก็เสียประโยชน์แต่อันนี้ เราคุ้นจิตไว้ได้ไม่ยินดีไม่ยินไล่เอาทนต่อไปดูต่อไปตอนนั้นมันยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกมันก็ดูไปมันก็ได้สมาธิได้สติได้สมาธิใจก็ไม่ได้วันไหวอะไรนี่เลยว่ามันจเจริญสติสัมปชัญญะพอออกถอยออกมาจากสมาธิหมดเวลาแล้วโอ้โหอากาศยังหนาวเย็นอยู่เลย ในสมาธิมันมีธาตุไฟมันทำงานมันมันมันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของมันจิตของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราก็ได้ประโยชน์ต่อมาก็มันมาอีกพอจิตเรามีกำลังขื้นแล้าก็รู้ว่าเป็นเรื่องของธาตุไฟเป็นเรื่องของร่างกายเท่านั้นนั่นจิตเราก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นจิตเราก็ปล่อยวางได้ นี่มันก็สะสมธรรมะมากขึ้นเรื่อยๆทำไมตั้งใจปฏิบัติไปนะเตรียมตัวดูตัวเองนะดูดูด้วยใจที่เป็นปกติใจต้องเป็นกลางกลางในทางสายกลางหมายถึงว่าทางของจิตจิตเราต้องเป็นกลางกลาง ไม่ยินดีไม่ยินไลก็อันเดียวกันนี่แหละเดียวว่าเป็นอริยมรรคเปองค์แปดคือทางสายกลางจิตเป็นกลางกลางก็คือจิตไม่ยินดีไม่ยินไลแล้วเราดูอะไรทีนี้เราก็ดูภาว่าทางจิตใจก็ปกติภาพบางทีก็เป็นมนุภาพบางทีก็ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงกระช่าง บงทีแ ม, ม้แต่ร่างกายของเรานะปฏิบัติใหม่ๆบางทีโอ้มันพองขึ้นมาก็มีแต่มันไม่ได้พองจริงๆเป็นแค่ความรู้สึกของจิตเห็นหนู่นเหน็หนหนี่ก็เป็นความรู้สึกภายในจิตการเห็นของจิตดูแล้วก็ดูด้วยจิตใจเป็นกลางๆแล้วก็ทำสบายๆ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 จนพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารด้วยเถิดแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญนะให้อุทิศบุญเองก็แล้วกันนะ